ในวในวิดีโอของหลวงพ่เทบางชุดเราจะเห็นว่าท่านสาธิตสาธิตการลุกสาธิตการนั่งสาธิตการเดินสาธิตการกราบอย่างละเอียดซึ่งนักปฏิบัติชั้นหลังนี่ไม่ไ ม, ไม่ค่อยสนใจเพราะว่าครูบาอาจารย์เองก็ไม่มีเวลาสาธิตการลุกอย่างไรอย่ามีสติคือท่านบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อ จะเห็นว่าเวลาพับของที่เป็นดข้อนี่มันจะต้องไล่เข้าไปทีละอันยืดออกมามันมีกี่ข้อในตัวเราเนี่มีกี่ดุกกี่ข้อกระดูกกี่ข้อนักวิทยาศาสตร์นับได้แค่2 6 0ร้อยิแต่ของพระพุทธเจ้าสามรอยท่อนนั้นเวลาเราจะพับจะเก็บโดยเองเนี่ยมือของเราเนี่ยมันจ ะ, จะพับเก็บเป็นข้อเป็นข้อตัวของเราห ย, ยาบๆข้อที่หนึ่งคืออะไรคอใช่ ข้อที่สองมือแขนไหลข้อที่สามเวลาเลื่อนมันก็จะวิ่งตามข้อนะเพราะฉะนั้นท่นบอกให้ปฏิบัติเหมือนลูกโซ่เพราะลูกโซ่เนี่ยเป็นข้อไขข้อมันนะเพราะลูกโซ่มันจะถ้าให้มีพลังเลื่นไหลกับเหล็กเส้นเหล็กเส้นมันไม่มีข้อเพราะฉะนั้นมันจึงความยืดหยุนความเลื่นไหลมันจึงไม่มีนะดังนั้นเมื่อชีวิตของเรามัน มันออกมาเป็นข้อเป็นข้อเวลาเราจะใช้จะยืดก็ยืดเป็นข้อเป็นข้อเวลาจะนั่งก็นั่งให้เป็นข้อเป็นข้อจะพลืดนั่งพลืดยืนเขาเรียกว่ามันชีวิตมันผิดจังหวะผิดระบบนะดังนั้นเองการที่ได้อยู่กับหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านเจตสาธิตอะไรต่างค่อนข้างละเอียดนะการลุกการขยับอะไรามาสังเกตทุกระยะเลยนะ แต่สิ่งหนึ่งที่มาทําตามยากมากที่สุดท่านทําอะไรไม่มีเสียงและจะดังจะค่อยที่สุดตัวนี้อามาฝึกยากมากเพราะเราเป็นคนอยากคนสะเพร่าคนจับจดคนไม่เรียบร้อยอะ่ะคนกระโดกระเดกเพราะนั้นจะทําอะไรถ้าเราจะตั้งใจมากๆมันกลายเป็นเกร็งไปเลยตั้งใจมากหาความพอดีในตัวเองยากคือคนสุดต่งเนี่ยเพราะเราเป็นคนสุกโตมั่งก่อน จ ะ, จะหาความพอดีตรงกลางได้ยากมากแต่คนไหนที่มีนิสัยสุ ข, ขุมเยือกเย็นเรียบร้อยมาแต่ต้นเนี่ยถือว่ามีวาสนาบา ร, รมีได้สร้างมาเพราะนั้นเขาจะฝึกได้ง่ายในความเป็นผู้มีระเบียบสงบเย็นได้ง่ายแต่คนที่เป็นคนไม่ได้สร้างนิสัยวาสนานี้มาเนี่ยคือเป็นคนสุดตรงชอบก็ชอบพวปากโมความเกลียดก็เกลียดเข้าดูเข้าสั่นนะมันมันตรงอย่างนี้ บางคนเอามาก็เป็นคนอย่างนั้นเนอะก่อนนะคนหยาเป็นคนเร็วคนร้อนคนรีบคนไม่เรียบร้อยอะ่ะแต่พอเรามาฝึกวิธีการพุทธิยานมันก็ไม่ใช่ง่ายนะแต่อาศัยอย่างที่เรามีเป็นคุณสมบัติคือความขยันหมั่นเพียรจะยากขนาดไห น, นไม่ไม่แล้วไม่เลิกอันนี้คือนิสัยเพราะถ้าคนเรามันจะเสียขนาดไห น, นมันจะต้องมีดี แก่อยู่ในตัวแต่เราจะใช้ดีตัวนั้นหรือไม่เราจะค้นดีในตัวเองพบหรือไม่ตรงเนี้คือเป็นส่วนสําคัญเราะนั้นเองคนที่มีนิสัยกระดุกระเดกเรีวเร่า ร, ร, ร้อนเหมาะกับวิปัสสนาอันว่าเพราะมันจะปรับตัวเองได้เรื่อยแต่คนที่มีนสัสุขุมเยือกเย็นเรียบพราะมีวิปัสนาวาลสร้างมามากท่านทําได้ทั้งสมถะและวิปัสสนา เพราะนั้นความที่เรามีคุณสมบัติต่างกับนในแต่อดีตพ่อแม่บรรพบุทธสร้างเรามาบางคนพ่อแม่บรรพุรุษเข้าวัดเข้าว่าเธอซีนฟังทำมันไม่รู้กี่ภพกี่ชาติพอมาส่งมาถึงลูกหลานทา ย, ยาทของเขาเนี่ยคุณสมบัติก็ถ่ายทอดมาเรื่อย ๆ, ๆตามภาษาและอดีตชาติตามภาษาที่เข้าใจได้แล้วบรรพบุรุษทีนี้ในอดีต พ่อแม่บรรพบุรุษของเราไม่เคยเข้าวัดครับว่าไม่เคยรักษาศีลฟังธรรมเพราะนั้นในการที่จะมาปรับให้เป็นคนสุขุมเรียบร้อยมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่ได้สร้างมาอย่างนั้น อ, อันนั้นเองอันนี้เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงของของเราเองเราไม่ต้องไปน้อยใจในวาสนาหรือว่าเราทําไม่ได้แต่ประการสําคัญพระพุท อ, องค์ว่าทุกค น, กคนจะควรจะ อยู่ในในโลกมาก็ตามคนอยู่อยู่ในสวรรค์ชั้นพรมมาเกิดก็ตามแต่มีความทัดเทียมกันได้ด้วยเหตุสองประการถ้าคุณหาเจอหมายความว่าคุณสามารถทัดเทียมคนอื่นได้ที่ว่าสร้างความดีมาตลอดภพชาติเยี่ยมเนี่ยคุณตกโลกมาตลอดเนี่ยแล้วคุณสามารถจะพัฒนาตัวเองให้ทัดเทียมบุคคล น, นี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปตั้งต้นสร้างบุญบรารมีมาใหม่ ด้วยเหตุสองประการจำไว้ให้ดีหนึ่งได้พบกัลยาณมิตรผู้รู้จริงสองตัวคุณเองมีความพยายามและมีความแยบคายฝึกความพยายามฝึกความแยบคายมีความเพียรพยายามไม่ไม่หยุดยั้ยงจะสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้เร็วพอที่จะไปทัดเทียมที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด ลูกบางคนพ่อแม่เป็นผู้ดีมีเงินเป็นเศรษฐีต่อกันมาหลายหลยหลายต้นตระกูลหลายชั่วตระกูลพราะมาในชาตินี้ก็ไม่ยากที่เขาจะเป็นคนเศรษฐีมีเงินต่อแต่ลูกของคนบางคนพ่อแม่บรรพบุรุษยากจนต่อเนื่องกันมาหลายพบหลายชาติมาถึงตาเขาเขาก็ต้องยากจนต่อแต่ถ้าคนสองคนเนี่ย คนที่ว่าพ่อแม่เคยเป็นคนยากคนจนมาหลายภพหลายชาติเนี่ยถ้าเขามาได้พบเงื่อนไขสองประการหนึ่งได้พบเพื่อนในมิตรที่ดีหรือกัลยาณมิตรที่สามารถคบหาแล้วก็สามารถเป็นแบบอย่างเขาได้ประการที่สองคนนั้นมีความเพียรพยายามที่เข้มข้นและไม่สิ้นสุดคนคนนี้สามารถที่จะเป็นคนดีมีเงินเป็นเศรษฐีได้โดยที่ไม่ต้องว่า ไปแก้ไขบรรพบุรุษที่มาผ่านมาหลายภพหลายชาติแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นลูกผู้ดีมีเงินพ่อแม่บรรพบุรุษมีชาติเกิกูลดีมาก่อนในอดีตชาติเนี่ยแต่มาเกิดในสมัยนี้เขาขาดคุณธรรมสองประการนี้เขาสามารถเป็นคนจนอย่างเรียกว่าไม่นานก็ได้หนึ่งไม่ได้พบเพื่อนดีสองไม่มีความเพียรพยายามคนเนี้ยพ่อแม่บรรพบุรุษจะดีมาขนาดไหนก็ตาม เขาสามารถจะเป็นคนยากคนจนเป็นขอทานได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเงื่อนไขสองประการเนี่ยพุทธิยถาท่านตรัสว่าผู้ใดก็ตามได้พบหนึ่งกรยานมิตรตามภาษาบาลีท่านใช้ว่าประโตโคสัอันที่สองมีโยนิโสมณสิกานย์ภาษาบาลีแต่เอามาแปลภาษาไทยว่าหนึ่งได้พบเพื่อนที่ดี สองได้มีปัญญาและความเพียรที่สูงคนประเภทนี้จะสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จากจนที่สุดตกนรกมาเนี่ยเป็นพระอรหันต์ได้เลยท่านพบตัวอย่างงยกตัวอย่างเช่นองคุลิมานเป็นมหาโจรมาพลิกผันเป็นพระอรหันต์ได้เลยพาหิระพาหิยะทาลุกิริยะได้เป็นคนจนออก ไปข้าเรือกับเขาวหวยน้ำข้ามทะเลในเมื่อเรืออับพลังวหายขึ้นบกแล้วก็จะไปะไม่มีผ้ามีเสื้อตั้งตนเป็นเจ้ารัตทินุ่งลมหงฟ้ารัททิมหาวิระในอินเดียเนะ่มพระพุทธเจ้าเพียงไม่ถึงชั่วโมงบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นพระพระุทธเจ้าท่านบอกเงื่อนไขสองประการนี้เป็นบุพพนิมิตของอริยมรรคท่านเปิดเสมอนหนึ่งว่า เราไปสถานที่แห่งหนึ่งเช่นไปต่างประเทศไปถึงเวลากลางคืนเราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าพระอาทิตย์ทางทิศใดเป็นทีต่ตะวันออกที่ใดทีต่ตะวันตกที่เหนได้ยังไม่รู้จนฟ้าลุ่งสางขึ้นเริ่มเห็นแสงเงินแสงทองเราจะสังเกตว่าแสงเงินแสงทองเริ่มขึ้นนะทิศใดเขามั่นใจได้ว่าพระอาทิตย์จะโผล่ขึ้นตรงนั้น ไม่กี่นาทีข้างหน้าท่านบอกอุปมานี้ฉันใดเมื่อเราเกิดมาด้วยความมืดมนอุทธการไม่รู้จะไปทางใดแต่ได้พบบุพนิมิตสองประการนี้คนนั้นะสว่างขึ้นเหมือนพระอาทิตย์คือเรียบพบกระยานิมิตและโยนิโสมนสิการเป็นอุปมาที่เป็นรูปธรรมมากเลยว่าเราไปที่ไหนไป อไม่รู้ว่าที่เหนือที่ใต้ตะวันออกตกพอเช้าขึ้นมารู้เลยอ๋อที่นี่ดังตรงหน้าเราพ้าที่ขึ้นเหนือตะวันออกก็รู้ได้ทันทีอีกสามทิศมาอยู่ที่ไหนด้านหลังต้องเป็นทิศบะวันตกแน่นอนขวามือต้องเป็นทิศใต้แน่นอนซ้ายมือต้องเป็นทิศเหนือแน่นอนนะมันจะรู้ทันทีชั้นใดก็ดีเมื่อเราได้พบเพื่อนที่ดีและได้มีความเพียรพยายามสูงเราจะต้องพบแสงสว่างทางธรรมไม่ช้าก็เร็ว จะยากขนาดไหนก็ตามจะยากดีมีจนคุณไม่ได้สร้างบุญบารมีในอดีตก็ตามแต่เงื่อนไขสองประการนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ทันทีเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทอ้อเราจะมาจากนารกขุมไหนมาจากสวรรค์ชั้นใดมาจากพระพรหมชั้นใดไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่สําคัญคุณต้องหาเงื่อนไขสองประการให้เจอหาบุพพนิมิตของชีวิตนี้ให้เจอคือเพื่อนที่ดีเรียกว่ากัลยาณมิตรและ มีโยนิโสมรติการมีความพยายามและมีปัญสติปัญญาระดับหนึ่งไม่มเบียใบยเสียจริตไม่ติดประสาทโกจิตต้องมีจิตที่ดีคือมีสติชัญญยะนั่นแหละเรียกว่ามีโยนิโสมรสิการดังนั้นเองเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกคนมีความหวังที่จะก็ถึงจุดนั้นแต่ตัวสอบเงื่อนไขสองประการหนึ่ง ครูบาอาจารย์หรือเพื่อนมิสหายเนี่ยที่นําเราปฏิบัติเนี่ยเป็นการะยานมิตรได้ไหมอ่าตรวจสอบตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไปที่ไหนปฏิบัติกับใครเนี่ยเรื่องหนึ่งสําคัญว่าตรวจสอบการะยานมิตรท่านบอกเป็นการมิตรผู้รู้จริงด้วยนะไม่ใช่ว่าใครจะเป็นการมิตรก็ได้ฮะกาณมิตรที่ดีเราไปที่ไหนจะมีเหตุ ประกอบสามประการหนึ่งมีผู้นำปฏิบัติหรือครูบาอาจารย์ที่รู้จริงสองเพื่อนที่เข้าร่วมปฏิบัติไปในทางเดียวกันเรียกว่าสหายสหนักกริยนาะมิสหนยตากริยนสหายยตามีเพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติในทางเดียวกันแต่ถ้ารมานนั่งปฏิบัติในนี้เพื่อนที่เคยทำหน่อมาก็มี เคยทำพุทโธมาก็มีเคยทําำนาปามาก็มีเคยทําสมมาหลังมาก็มีพื้นฐานเหมือนกันแต่พอมาที่นี่เราถ้าเรามาทําพือตามพื้นฐานของใครของมันเนี่ยอันนี้เรียกว่าไม่ใช่กัลยะาณสหายคือเป็นสหายที่ที่ไม่ไม่ไปในทางเดียวกันแต่ใครจะมาที่ทางใดก็ตามพอมาที่นี่ปับ๊บเรามาเคลื่อนไหวเหมือนกันมาทําในรูปแบบเดียวกัน ลักษณะนี้เรียกว่ากริยาน่าสหายได้ใน่ามกลางที่ขณะที่ปฏิบัติก็จะไม่มีการลบกวนไม่มีการทำกันและกันให้ลำบากใจมีแต่เอื้อเฟื้อเกินหนุนสนังสื่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันตรงนี้เขาเรียกกริยาน่าสหายและประการที่สามมีกริยาน่าสัมปวังกาตาตัวนี้ทั่วไปท่านไม่ค่อยแจงในรายละเอียด แต่มาก็มาดูว่าเงื่อนไขสองประการที้ทําไมสําคัญเป็นบุพนิมิตแห่งการบรรลุธรรมเป็นบบุพนิมิตเป็นนิมิตแห่งแรกนิมิตอันแรกที่จะเข้าถึงธรรมทาไมสําคัญมาก็มาหารายละเอียดนะหายละเอียดคําว่ากายาณมิตรก่อนพระการานมิตรผู้รู้จริงรู้จริงแค่ไหนแค่ระดับเป็นพระโสดาพระสกีนาคาพระอนาคาเป็นพระอรหันต์หรือเป็นสาธุชน หรือเป็นกิริยาณชนกิริยานมิตรมีหลายระดับระดับกิริยาณชนเขาก็เป็นเพื่อที่ดีบางคนไม่เคยเข้าวัดแต่เขาเป็นคนดีเขาเป็นกิริยานมิตได้แต่กิริยานมิตรในระดับกิริยาณชนบางคนเป็นสาธุชนเข้าวัดฟังธรรมจาศีลเป็นประจำแตไ่ไม่ค่อยรู้เรื่องสมถะวิปัสนาเพราะว่าเป็นคนวัดคุณวา่าตนเองอันนี้คือเราว่ากิริยานมิตรในระดับสาธุชนเป็นคนดีที่ ดีกว่าระดับแรกมีซีนมีธรรมมีเหตุมีผลมีเมตตากรุณาตามมาตรฐานคนดีทั่วไปเป็นสาธุชนก็เป็นกระดิมิตรเป็นเพื่อนให้เราอุ่นใจได้แต่บางคนเป็นกระดิมิตรระดับสมถะคือทําสมถะมาเป็นคนใจเยือกเย็นเป็นคนชอบภาวนาเขาวัดจำสิ่งพังธรมภาวนาได้ฌานได้ความสงบ ระดับหนึ่งนี่ว่าเป็นการณมิตรในระดับสมร t a และการณมิตรในระดับวิปสัสสนาก็แบ่งออกไปอีกสระดับการณมิตรในระดับพระโสดาปฏิมา ค, คือเป็นผู้ ป, ปฏิบัติวิปสัสสนาและกำลังปฏิบัติรูปนามยังไม่ชัดเจนยังปฏิบัติในขั้นรูปขั้นนามอยู่ยังไม่เต็มร0อเ าการที่จะเข้าถึงรมณรูปนามร้อยเปอซคนนี้ไปแล้วหกสิเซแล้วเข้าใจรูปนามได้แล้วเอาเรื่องนั้นมาบอกเรามาสอนเราได้ด้วยเออทำอย่างนี้นั่งสมาที่ทํางนี้สร้างจังว่าทํางนี้นะถึงแม้วเขาจะไม่รู้เรื่องรูปนามอะไรจนทะลุแจ่มแจ้งแต่เขาพอแนะนําได้นี้เรียกว่าเป็นกรายะมิตรระดับโสดาปฏิมักอย่างเงี้เลื่อยขึ้นไปจนถึงโสดาปริผลเราจะเห็นว่ากรายะมิตรมีหลายระดับระดับอ่า ปุถุชนระดับกิริยะาในชนระดับสาธุชนและระดับอริยชนนะโอ้มันมีความสำคัญอย่างนี้นะนี่กระยะนะิยาณสัมปวังกตา้็าเช่นเดียวกันมีรายละเอียดท่านบอกว่ามีสิ่งเวดล้อมมีผู้เวดล้อมที่ดีไอ้สิ่งเวดล้อมที่ดีเนี่ยมันระดับไหนเอามาพกดตรวจสอง สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติที่ดีเนี่ยมีเงื่อนไขสีประการหนึ่งใ น, นที่สานที่สงบสงัดอย่างพระธาตแสงเทียนเนี่ยเหมาะสมอ่าเป็นป่าเป็นดุสงบสงัดไม่มีค่อยมีอะไรมารบกวนเขาเรียกว่าอาวัชสปายะอันที่สองมีอาหารวินทจบาล ท, ที่ไม่ลําบากพอถึงเวลาก็ได้ทานถึงเวลาก็ได้ฉันอาหาร ดีไม่มีความกำเริบเสือบสารไม่ผิดแสลงธาตุไม่ก่อให้เกิดความปัญหาและสุขภาพด้วยแล้วอาหารสัปเยะทานแล้วสบายบากายเบ า, บาใจมีกาลังนะอันที่ 3, สามุคคลาสัพยะนะบุคครสัพยะหมายถึงคู่ที่อยู่ร่วมด้วยกันไม่ว่าคนนอกคนในนักปฏิบัติด้วยกันไม่ครัวพระนิน คนขับรถคุณใช้ระดับไหนคนนับบริการระดับไหนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบและไม่สร้างปัญหาเรียกปุคกระส ป, ปาย ะ, ะอันที่สี่มีธรรมะส ป, ปายะคือมีวิธีปฏิบัติที่เรารับได้ไม่ขัดแย้งกับนิจจินิสัยมากเกินไปไม่ฝืนจิตฝืนใจมากเกินไปทำได้ศึกษาได้ และรู้สึกว่าจะรับได้ด้วยนี่เียว่าธรรมสปประสปายะเพราะธรรมสปประสปายะทั้งทั้งสี่ประการส ป, ปรยายะทั้งสี่ประการนี่เองเป็นความหมายของว่ากิริยานสัมปวงกตานะคือมีอาวาัต ด, ดีนะสถานที่สงบสงัดเป็นป่าที่สงัดนะไม่มี งูพิษไม่มีสัตว์มีพิษร้ายคอยรบกวนให้กังวลจะมียุงบ้างนิดหน่อยก็ป้องกันได้นะมีอาหารและสัพเพยะอาหารสะดวกสบายอาหารวินัรสบายมีปุกราศัพยะคนที่ร่วมกันไม่มีปัญหาธรรมศัพะยะวิธีการปฏิบัติทำได้เข้าใจได้แล้วรับได้นี่เรียกว่าเป็นตัว เงื่อนไขของคําว่าการยานมิตรนะที่ในส่วนโยนิสโอมนิสิกานทําไมสิ่งสําคัญถต่ความจริงท่านแยกรายละเอียดไว้ถึง10อย่างนะโยนิสโอมนิสิกานแต่ว่ามันเกินจําเป็นจะไม่ยกมาเอาแค่ว่าโยนิโสนมนิสิกามีความละเอียดถี่ถ้วนในการเฝ้าดูในการสังเกตไม่จะเพลเพ่งไม่ใช่บังคับไม่ใช่เอาอยากเข้ามา แต่มีการสังเกตสังการตัวเองเรื่อยๆอเพราะฉนั้นในหมวดว่าด้วยอิเดบุตรสี่และสัมพัชยะที่ได้สวดมาตอนเช้าเนี่ยแค่สองหมวดถ้าเราทําได้ตามนั้นนะอ ม, มันมากพอเป็นโยนิโสมานสิการ์นี่เดียวอันแรกท่านบอกว่าอะไรอันนี้ความหมายของว่าโยนิโสมานสิการว่าแค่ไหนระดับไหนขอบเขตของมันคําว่าโยนิโสอ่า สี่ประการชาวที่สวดมาว่าอะไรนะขันตัวข้ามีติประชานาติใช่ไหมเวลาเดินก็ให้รู้ชัดชัดว่าเดินคําว่ารู้ชัดในแค่ไหนนะที่บอกตอนเช้าว่าเวลาก้าวยกเท้าแต่ละครั้งยกเท้าซ้ายเหยียบเท้าขวาก้าวเท้าขวาเหยียบเท้าซ้ายยกเหยียบยกเหยียบตลอดเวลาอย่างเงี้ยเรารู้ชัดไหมว่าเวลาเหยียบลงไปเนี่ย ควรู้สึกเป็นไงหนักหรือเบาเวลายกขึ้นเบาเวลาเหยียบลงไปหนักไอ้ความหนักที่เราเหยียบลงไปเนี่ยมันมีกําลังที่วิ่งขึ้นมาตา ม, ตามข้อตามขาตามเขา่าตามเอวเราได้สังเกตไหมว่าเหยียบไปแต่ละครั้งมันมีกําลังเหยียบ แล้วบางคนที่ขาไมา่ค่อยดีขาเจ็บป่วยเหยียบแตละครั้งมักจะมีความหนักกว่ามันมีเจ็บนิดนิดและยิ่งเหยียบไปนานๆยิ่งเกิดอาการปวดยิ่งเกิดอาการขัดยิ่เกิดอาการตึงยี่งเกิดอาการเกลิ้งสังเกตไหมว่านานามันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้วิธีแก้ทําไงเวลายกเนี่ยอย่าเพิ่งเหยียบลงไปทันทีล่อนไว้ มันจะอาจจะต้องช้าลงมากกว่าปกติถ้าเราเหยียบยกเร็วเร็วเนี่ยเหมือนเราซ้ำา้ำซ้ ำ, ซ, ำซ้ำลงไปในแผลเก่ามันจะเกิดอาการปวดแหนักและเกร็งได้ไวพอเราก็ผ่อนให้ช้าลงมาผ่อนช้าไม่ก็วามีระดับห้การยกเนี่ยนานหน่อยมันมีโอกาสที่ส่วนที่หนักทันได้คลายอ่าตัวเนี้ยเราก็สังเกตเอาเวล า, าไอ้ช่วงที่เรายกเนี่ยเราไม่รีบเหยียบลงไป ความหนักที่เราเหยียบลงไปมิกี่เรายกเนี่ยมันจะคลายตัวแล้ว เ, เยียบลงไปใหม่นี่ให้รู้ชัดรู้ชัดอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเพ่งแบบยกขยับเนายกส้นหนอะยกหนอยานา่างเนอลดลงหนอแตะเนาเหยียบหนอะอันนี้ท่านก็ใช้อุบายให้ กับนักปฏิบัติที่ต้องติดขบวนการขั้นตอนถ้าจะใช้สังเกตแบบรวมๆอย่างที่เราทําอยู่เนี่ยท่านอาจจะไม่ถนัดท่านก็หาบายวิธีการให้สังเกตในการขยับยกย่างเพราะฉะนั้นในการเดินแบบนั้นในแต่ได้แต่ละกล้าวได้แต่ละจังหวะเนี่ยช้ามากนะแต่ที่เราไม่ต้องการขนาดนั้นอันนันมันไหลไปสู่สมถะแล้วมีการเพ่งมีความตั้งใจเกินไป แต่เราต้องการก้าวแบบปกติแต่ว่ามีการห่อนคลายและมีการสังเกตการตึงการหย่อนเป็นในแยะสำคัญคือไม่จำจำจำจำจ ำ, จำลงไปตามอารมณ์แต่มีการสังเกตยกขึ้นรู้สึกไงมันจะช้าช่างมันแต่ขอแค่เห็นชัดซึ่งเป็นกฎของการได้สติสมัชัญญะถ้าเรารีบรีบปฏิบัติรีบรเดินเพื่อจะได้อารมณ์อะไรทานองนี้น บางทีมันมันคุณะเป้าหมายเพราะนั่นบอกเออขัาชั้นตัวว่าขัาชาติมิติประชานาติเวลาเดินให้รู้ชัดว่ากําลังเดินให้รู้ชัดๆว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่รู้แบบไม่รู้รู้ชัดชัดชัดแบบไม่รู้ก็มีนะชัดโอ้ยิ่งเจ็บยิ่งชัดไอ้แดงเยียบให้มันเจ็บเลยมันเห็นชัดๆไอ้ชัดแบบนี้เป็นการชัดแบบเบียนตัวเองอะเป็นการซ้ําเติมแหกเก่าชัดแบบนี้ชัดแบบไม่รู้ ชัดแบบรู้คือรู้ต้องบําบัดว่ากายนี้มันเป็นทุกข์อยู่แล้วขณะเดินมันก็ทุกข์อยู่แล้วเหยียบไปซ้ำไปไปมันก็ความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นทุกข์ต้องกําหนดรู้จะมารู้แค่ไหนรูช้ชัดชัดถ้าสมูทัยต้องละไอความที่มันหนักจะเกินเนี่ยมันหนักมันจะทําให้ปวดให้เมื่อยให้หนักเนี่ยมันเริ่มเป็นสมูทัยทางกายละไอการที่มันหนักมันขัดแล้วก็เดินฝืนเดินไปอย่างนั้น จิตของเราก็กังวลนจิตไม่นิ่งละไอ้การที่จิตกังวลเกิดขึ้นมันเริ่มเข้าไปสู่จิตละความหนักนั้นอันนั้นเป็นสมูทัยทางจิตสมูทัยเกิดสองตัวทีเดียวสมูทัยทางกายที่ความหนักที่เรารู้สึกรู้สึกได้ว่ามันหนักผิดปกติไอ้ช่วงแรกๆ ก, ก็เดินสบายอยู่ถามว่าไอ้ตัวหนักเนี่มาจากไหนที่เหลียบไปแล้วมันหนักเนี่ยไอ้คำน้ําหนักมาจากไหนแล้วก็ตอบแบบรวมๆว่า เอาน้ำหนักมันเยอะมันทับลงไปมันจึงรู้สึกหนักเป็นคำตอบที่รวมเกินไปสรุปรวมเร็วเกินไปแต่ถ้าเราจะไปลึกกว่านั้นอีกนิดนึงว่าในตัวของเราเนี้ยคือการไหลเวียนของอะไรถ้าสี่ดีน้าำลมไฟใช่มะมมีการไหลเวียนของเลือดมีการไหลเวียนของลมมีการไหลเวียนของอากาศและมีการไหลเวียนของไฟ การไหลเวียนของท่าสี่มันจะต้องเป็นไงไหลเวียนแบบครบวงจรใช่ไหมฮะแต่การไหลเวียนผ่านไปที่ฝ่าเท้าแล้วก็กดเหยียบลงไปช่วงนิดเดียวนะอย่าบลงไปปั๊บการไหลเวียนหยุดชะงักชัว่วขณะเพราะเป็นไงมันถูกกดทับ ถ, ถูกกดทับมันหยุดชัว่วขณะนิดเดียวเชื่ยววินาทีนะีะอาการหนักประกฏทันทนะีมันไวมากเลยนี่เป็นที่ไปที่มา่ะ พ่อหินลายจึงหนักเรา่าไปมอว่าเป็นน้ำหนักอย่างเดียวถ้ามันหนักขนาดนะั้นเราก็เดินไปไหนไม่ได้ใช่ไหมแต่ที่นี้ถ้มันไหวเลยก็ปุ๊บไปเลยมันไม่ได้หนักจริงมันเบาอยู่ในตัวของมันเราจะทำเบากว่านั้นไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้พ่อหินลายจึงหนักต้องหาคําตอบคือแยบค า, ย, ย, บา ย, ยนี่คือเรียกแยบคายโยนิสุมาสิการแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี่ก็จะไปนั่งคิดคิดพิจารณาไม่ถูกนะ ตัวนั้นเป็นเขาเรียกวิตตวิจารผิดละคือรู้เท่าที่รู้รู้ตามอาการตามความเป็นจริงเรียกว่ารู้ตามที่มันเป็นจริงรู้สภาวะตามความเป็นจริงแต่ให้เข้าใจขบวนการว่าเพราะเห็นอะไรมันจึงเป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นการที่เลือดลมหรือท่าสีไหลเวียนเป็นกฎของอะไรเป็นคนกฎของตรลกะการทำงานของอนิจจัง ใช่ไหมความหนักนี้เป็นทุกขังหรือเป็นอนิจจังเป็นทุกขังแล้วยกขึ้นทุกขหายไปเราเยียบลงไปความหนักปรากฏเพราะอะไรเพราะการหลายเวียนกฎของอนิจจังมันจึงก่อให้เกิดทุกขังเพราะนั้นอนิจจังทุกขังจึงจึงเป็นกฎของรูปทุกรูปที่จะต้องเป็นอย่างนั้นรูปทุกรูปจะต้องกฎ ภายใต้โกรด น, นี้หมดถามว่าโกรธข้อนี้จังทุกขังต่างๆเนี่ยเข้าไปสู่จิตได้ไหมได้แต่มันเปลี่ยนรูปเป็นรูปเป็นถ้ายกขึ้นรู้สึกสบายเราเรียกว่าอะไรพอใจนะเยียบลงมันหนักรู้สึกไม่สบายยกขึ้นเบาสบาย ความสบายไม่สบายเกิดดอกย้่ำกันนานเข้านานเข้ามันจะจํากัดอยู่แค่กายได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันเริ่มไหลเข้าสู่ใ จ, จนั้นคําว่าอนิจจังทุกขังจะดึงเปลี่ยนเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอาจทุกข์กับสุขเวทนาชุดแรกปรากฏที่กายเราเรียกว่าเวทนาของกายรู้สึกสบายไม่สบายและไม่แน่ทั้งสู่ทั้งสู้ปนกัน ตามภาษาบเลว่าสุขเวทนาทุกเวทนาทุกข์สุขเวนทวนาแต่เรายังไม่ได้ฝึกสติยังไม่ได้ฝึกสมัมผัสให้เข้มให้เข้มพอเราจะไปตามรู้ไอความรู้สึกสบายไม่สบายทั้งสามนีทันไหมไม่ทันไม่ทันแน่นอนหรือบางทีปฏิบัติแล้วเขยังไม่ทันนีกนะเพราะถ้าไม่ไม่ไกลไม่ตั้งข้อสังเกตกันแต่สมมุติว่าทันลอะอ่ะรู้สึก ยกขึ้นสบายก็รู้ว่าเออสบายชัดๆเหยียบลงไม่สบายก็ให้รู้ไม่สบายชัดๆนะในขณะที่ตัวสบายไม่สบายเรารู้ชัดตัวนี้จะไม่ก่อเป็นอาจจะไม่ก่อเป็นอุกขมสขุเพราะอะไรเพราะเรารู้ชัดสบายเราก็รู้ชัดไม่สบายก็รู้ชัดเมื่อรู้ชัดอย่างนี้ความรู้ที่ชัดอันนี้จังทุขังดาทางกาย มันจะไม่เกิดเป็นเวทนาทั้งสาไม่เกิดโสมนัสสความสบายถ้ารู้ไม่ชัดมันจะเป็นโสมนัสเวทนาความรู้สึกพอใจความรู้สึกหนักเรารู้จักไม่ตามรู้คอนแทชชัดมันจะเปลี่ยนเป็นโทมนะเสวนาความไม่พอใจแล้วทุกขมสุขนะเธอรู้มันไม่ชัด มันก็จะเปลี่ยนเป็นอุปเปขาวเวทนาไม่แน่ใจอ่าไม่ใส่ใจทั้งสามอย่างเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มเป็นอาการของจิตแล้วใช่ไหมโดยผ่านความพอใจไม่พอใจแล้วก็ไม่แน่ใจสามอย่างแต่พอรู้สึกความพอใจไม่พอใจแลดับนิดๆนะไม่มากนะเราก็ยังไม่ได้ตารู้ให้มันชัดอีกไอ้สามตัวเนี่ยไอ้จากไอ้ไอ้ตัว โทมอนัสเวทนาที่ความพอใจมันก็จะเป็นความติดใหญ่เรียกว่าอภิชาและความที่เราไม่พอใจกับความรู้สึกเมื่อกี้เราเพิ่มน้ําหนักขึ้นเราเรียกลงไปอาการที่จิตว่าโทมอนัสเวทนาไม่ชอบใจไม่ชอบใจไม่ติดใจไม่พึงพอใจและคุยข่าเวทนาที่ว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจหรือไม่ใส่ใจไม่ชัดเนี่ย มันเปลี่ยนไปเป็นอะไรเป็นโมหะอ่าเห็นสามตัวเนี่ยโทมนัตโทมณัโมัแล้กโมหะแล้วก็จะเปลี่ยนไปเพราะดังนั้นในสถิประฐานสีเวลลาสวดใช่ไจำได้ไหมว่ากายยกายานุปัสสิเวหาติอาตาปีสัมปชานสติมาวิัยะโลเกอพิชาโทมนัต อภิชาธุมนัรสังว่าถ้าตามรู้ชัดๆเนี่ยจะสามารถละอาการของจิตได้สองอย่างคือความชอบใจและความไม่ชอบใจเราจะละได้วินัยะขะจัดได้เลยแต่ถ้าเราไม่ตามให้รู้ให้ชัดความพอใจในความชอบใจและความไม่ชอบใจต้องเกิดขึ้นแน่นอนนี่คือ เห็นไหยว่าการที่เราต้องฝึกสติสัมยาการยกกันเหยียบกันเคลื่อนะมันมีความหมายว่ารู้ชัดๆัดคือรู้อย่างเนี้ยรู้เห็นขบวนการว่าเออถ้าช่วงใดที่เราไม่ได้ตามรู้ชัดชัดนะมันจะต้องเปลี่ยนมาเป็นความพอใจไม่พอใจตรงนั้นมันเริ่มเป็นตัวสมูทัยทางจิตละนะสมูทัยต้องละท่านบอกให้ละนะสมูทัยทางกายก็ละเหมือนกันถ้าเรานั่งนานๆนะแล้วไม่ยอมขยับปรับเปลี่ยนแสดงว่าเรารู้สมูทัยแต่ไม่ละก็ไม่มีผล ก็ยังเป็นทุกข์อยูอ่เพราะฉนั้นเอาเมื่อวานบอกว่าคําว่าทนได้เนี่ยทนแค่ไหนอกายมันทนหรือใจมันทนอถ้านั่งไปนานๆกายทนไหมจากการหนักมันจะกลายเป็นหน่วจากการหน่วงมันจะกลายเป็นเหน็บจากการเหน็บมันจะกลายเป็นชาจากชาจะกลายเป็นทื่อใช่ไหมจากทื่อกลายเป็น ง่วงนั่นแหละทีนี้เบลอไปเลยตามลําดับทีนี้อาการอาการง่วงอาการเบอืออาการหลงของเราไม่ใช่เกิดได้ง่ายๆนะแต่มันพัฒนาได้ไวมากไงแต่เราไม่ได้ตามรู้เห็นขั้นตอนมันชัดๆมันก็เลยพัฒนาไปตรงนี้หลวงพ่อจําเป็นต้องลงรายละเอียดเพราะว่าบางคนอาจจะเข้าใจได้แต่หลายคนไม่เข้าใจไม่เป็นไรฟังไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะความรู้ประสบการณ์แต่ละคนมาไม่เหมือนกันบางคนรู้ ปฏิบัติมานานแล้วเพราะนั้นลงลุงรายละเอียดไว้ก่อนแต่ควรใครจะรู้เข้าใจในระดับไหนก็เป็นเรื่องของแต่ละคนไปพยายามเอานะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เอามากำลังเน้นคำว่ารู้ตัวซื่อซื่อรือตัวชัดชัดหมายความว่าอย่างไรเราจะน้นกันเลยรู้สึกตัวซื่อซื่อไม่ต้องเอาอะไรใช่ไหมถ้ารู้ซื่อซื่อแบบไม่รู้รายละเอียดไม่ชัดอ่ะตัวรู้ซื่อซื่อตัวนั้นเป็นตัวซื่อบื้อตัวโมหะ ใช่ไหมมันไม่ใช่ตัวชัดแบบที่เกิดโยนิโสมานาสการที่เกิดปัญญาแล้วตัวมูหะตัวนั้นที่อให้เกิดมานาอัตตาว่าฉันได้ทําได้มากกว่าฉันทําได้ดีกว่าฉันรู้ชัดกว่าแกแกรู้ไม่ชัดเมันแค่เกิดมานาอัตตาขึ้นมาสําคัญมันหมายเพราะนั้นคือรู้ซื่อแบบไม่ซื่อเออเป็นเรื่อรายละเอียดนะตรงนี้คําว่าโยนิโสมานาสการมันหมายถึงอย่างนี้คือต้องละเอียดถี่ถ้วนไม่ใช่คุณจะสรุปมูเมเอาไม่ได้ ในกฎแห่งสัญญามันเหมือนกฎวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมามันจะต้องเป็นไปกระบวนการขั้นตอนที่ชัดเจนเมื่อเราเข้าถึงดาเราก็อธิบายในรายละเอียดไม่ถุง ก, กันว่ามันไปยังไงมาย่งไงนะให้เป็นประเจ ก, กับพุทธะไปเลยแต่ถ้าเราเริ่มเก็บรายละเอียดแต่แต่ต้นเป็นกระบวนการขั้นตอนไปนะหลังจากที่เข้าถึงธรรมแล้วเราจะเอารายละเอียดเหล่านี้มาแจงให้เห็นได้ว่ามันไปยังไงมาอย่างไงเพื่ะ ในการเดินทางทางกายว่าซับซ้อนเราในบางการณีนะก็ยังต่างกันได้แต่งานเดินทางทางจิตเนี่ยมันมีร่องรอยมันไม่มีขีดไม่มีเส้นไม่มีลวงไม่มีลาให้เห็นเนี่ยมันก็อีกซับซ้อนเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นการทําต่อจิตจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะทํำยังไงก็ได้คุณทำไงก็ได้ให้รู้สึกตัวซสื่อๆก็แล้วกันสําหรับผู้ใหม่เราพูดงี้ได้เพราะผู้ใหม่ไม่ต้องการให้รู้อะไรมากให้รู้แค่นี้พอเพราะอะไร ไม่รู้มากยิ่งฟุ้งร้านแล้ยิ่งฟุ้งซ่านการปฏิบัติมันจะเบื่อจะท้อไปเลยเป็นนิวรอนแต่พวกเรานี่ถือว่าพัฒนามาแล้วระดับหนึ่งนะส่วนใหญ่พี่มาเนี่ยเป็นคนเก่าสักเก้าแปดิบเก้าสิเอร์เซ็นต์จะเป็นคนที่ไม่เคยผ่า น, นจริงๆเนี่ยเขามีไม่กี่คนะนะดังนั้นในการที่เรามาปฏิบัติยาวนานแล้วมีประสบการณ์มากๆแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้อง เริ่มเก็บรายละเอียดมากขึ้นไม่ใช่กับซ้ำ อ, อยู่ปศิ 4, มันอใดก็หลักสูตรปศิ 4, เรื่องเดิมเมื่อใดก็หลักสูตรปศิ 4, เรื่องเดิมอ่ะมันไม่ได้นะมันจะต้องปรับไอ้การที่เราพัฒนาหมายความว่าเราเริ่มเห็นลึกลายในรายละเอียดมากขึ้นเมื่อก่อนเราพูดลุกผูดนั่งโดยไม่รู้อะไรเกิดขึ้นใช่ไหมแต่พอรายละเอียดต่อมาเออเรารู้จักวิธีก่อนที่จะยืนทําไงก่อนที่จะนั่งทําไงก่อนที่จะก้าวทาไงเริ่มเก็บรายละเอียด เมื่อก่อนเราจะต้องการในสิ่งอย่างคก็จับปุ๊บเลยถ้าต้องตามต้องการตามแสนสตียขอให้สําเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการ ก, ก, กันแล้วกันแต่พอเราเป็นนักปฏิบัติที่ยาวนานขึ้นเราจะต้องรู้ตั้งแต่ว่าแข่ ม, มันออกไปอย่างไรเราไปจับตรงนี้อย่างไรเราจะเททําไงแต่คุณไม่ต้องทําเป็นดิจิตอลทีแล้วท่อนเอาท่อแบบนี้หรอกนะคุณก็จับไปปกตินี่แหละแต่ว่าในอากัปกิริยาเด็กมันนุ่มนวลมันอ่อนโยมันชัดเจนในโดยเชิง ไม่ไม่ไม่เหมือนกระสายบางสายที่เขาไปนี่แล้วก็ไปนี้แล้วก็ไปนี้แล้วก็ไปอันนั้นมันมันเป็นหุ่นยนต์อ่าไม่ใช่ของจริงของจริงคุณก็ทําตามปกติเนะี่ยแต่าอากับกิจยาที่จะมันกลมเกลืนมันสดคล้องไม่ถึงกับผิดปกติถ้าคุณไปทําิึชิคชๆคชิคแบบนี้เขาก็คุณประสาทแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่คุณไปทำํำเล่นไม่ได้นะฮะ เพราะฉะนั้นไอ้ความโอมกลืนสอดขล้อง <c oughs> เป็นธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งที่เราปฏิบัติให้มันถูกมันชัดเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์บางท่านบอกทา่านคอสังเกตบอกว่ า, วาถ้าคุณจะปฏิบัติได้ถูกต้องได้ผลดีคุณต้องทำเหมือนคนป่วยแต่ปกติคุณป่วยจะทาําอะลรเหลวว่องไวได้ไหม <c oughs> ไม่ได้นะ่าต้องเอยเขย่าคอยยืดคอยเจี๊ยบ คนป่วยทำงั้นไม่ใช่ว่าเขาต้องการมีสติสมบูรณ์นะเพราะเขากลัวอะไรกลัวเจ็บไอ้เราเหมือนกันที่เริ่มทําอะไรสโลหรือช้าลงเนี่ยเราไม่ได้กลัวว่าเราจะปฏิบัติทําไม่ได้แต่เราต้องการศึกษาในรายละเอียดลดช้าลงนิดหนึ่งแต่ว่ามันเผลอเผลอก็ไวล่ะเข้าร่องเริ่มแล้วใช่ไหมไหลสร้างจะวๆก็ว่ายแว๊บๆไปเลยละเผลอหยู่ก่อน แล้วลำดับไปใหม่ค่อยสร้างใหม่เราไม่ได้บอกว่าไวดีหรือไม่ดีนะช้าดีไม่ดีแต่การรู้จักจปรับให้มันพอดีนะมันดีมอเร็วเกินไปก็ไม่ดีช้าเกินไปก็ไม่ดีแต่ปรับให้พอดีเนี่ยมันดีเพราะอะไรเพราะมันเป็นทางสายกลางเร็วเกินไปก็ตกงไปทางหนึ่งช้าเกินไปก็ตรงไปทางหนึ่งควรละนะแต่ต้องบอกพอดีเนี่ยมันไม่เร็วไม่ช้า อความไม่เรียวไม่ช้าพอดีของของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกนะอันนี้ก็ให้ปรับกันแล้วกันดังนั้นความที่เราจะขยับกับยืนขึ้นไหเนี่ยให้ให้ดูอาการของตัวเองเพราะทะนั้นในวิธีการของพระเทียนท่านจึงไม่ได้เน้นรูปแบบตายตัวคุณปรับให้พอดีก็แล้วกันคุณจะนั่งอย่างไรคุณจะเดินอย่างไรคุณจะยืนอย่างไรเนี่ยให้ปรับให้พอดี แล้วมันก็สติชั่ยักยี่เกิดตลอดนะซึ่งเรื่องเหล่านี้ถ้าใครทาได้มันเป็นการลดระยะเวลาของความนื่อช้าในการปฏิบัติลงเท่านั้นเองถ้าใครทำได้น้อยก็ก้าวก้าวหน้าช้าหน่อยอคนไหนเจ็บรายละเอียดได้มากขึ้นกก้าวหน้าไวขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้มันไม่มีความยากความง่ายอยู่ก็ความเพียพยายาม แต่สำหรับคนที่มีสติปัญญาดีมีบุญวาสนาสะสมมาดีเนี่ยก็ยกเป็นกรณีพิเศษไปนะอันนี้จะต้องก้าวหน้าถ้าจะปฏิบัติสายไหนก็ไปได้แหละแต่ในวิธีนี้เราจำเป็นจะต้องมีความเพียรพยายามระดับหนึ่งนะด้วยการศึกษาด้วยการเรียนรู้เรื่อยๆนะนั้นอันนี้ว่าคัจฉันโตวาคัชามิติปะัะญาว่าเดินให้รู้ว่าเดินให้ชัด นั่งในกรณีนั่งก็เหมือนกันนั่งก็รู้ให้ชัดว่ารู้ว่านั่งนี่สิ้นโนวานี่สิ้นโนมหิติประชานณติเมื่อนั่งก็ให้รู้ชัดๆว่าเรากําลังนั่งอยู่ไอ้ใครจะไม่รู้ว่าตัวเองนั่งบ้างล่ะใช่ไหมก็คนเพียนเท่านั้นเองไงไม่รู้ว่าตัวเองนั่งนั่งช้าๆดูมาดูว่าขณะนั่งเนี่ยมันหนักหรือมันมันสบายหรือไม่สบายเนรู้ว่าไม่สบายคุณทำยังไงกับมันคุณจะนั่งต่อไปไหมแต่รู้ว่าสบายคุณจะทําไงจะนั่งต่อไปไหม อ่าตรงนี้แหละชัดไม่รู้ว่าชัดไม่ชัดก็ตรงนี้แหละถ้ารู้ว่าไม่สบายคุณขยับเสื้อนิดหนึ่งได้ไหมก็ไม่เสียกิริยาใช่ไหมก็โอเครับได้ก็ดีกว่าที่จะนั่งแช่อยู่ตรงนั้นจนเหน็บจนชาจนง่วงจนเบื่อจนเบืเบอ่อแล้วก็คุณก็นั่งสงบงกงกไปงกมาตาก็ไปลืมอย่างเงี้ยเออมันมันหนักตั้งนานแล้วนะแต่คุณไม่เห็นมันนะมันไม่ชัดอะ่ะแล้วคุณจะไปโทษใคร ก็โทษตัวเราเองเออแล้วครูบาอาจารย์ก็เน้นคุณต้องนั่งนานๆก็ฉันไม่ไหวอ่ะไม่นานเหมือนคุณไม่ได้คุณมาเดือนมากี่ปีคุณจะนั่งชักวโมงสองชั่วโมงก็มีปัญหาแต่ฉันเพิ่งมาจะให้คุณฉันจะนั่งเหมือนคุณได้ยังไงเราก็ต้องมีเหตุผลในตัวบางสิใช่ไหแล้วจะไปยอมอย่างเดียวเอามาไม่ให้ยอมอย่างนั้นนะยอมครูบาอาจารย์ยอมครูบาอาจารย์คือต้องเคารพธรรมถ้าไม่เคารพธรรมที่มีอยู่แม้แต่ครูบาอาจารย์ถ้าไม่เห็นตรงนั้นเอามาก็ไม่ให้เชื่อเหมอนกันนะ เพราะว่าความความทุกเนี่ยเป็นเรื่องตัวใครตัวมันครูบาอาจารย์มาตัดสินเราไม่ได้นะเรารู้ของเราเองว่าเราแค่ไหนปรับได้แค่ไหนแต่ต้องทําให้รู้สึกรู้สึกสบายปานกลางไม่สบายเกินไปแล้วก็ไม่หนักเกินไปแต่ว่าก่อนที่จะบําบัดชัดหรือไม่ชัดเนี่ยดูความสบายแต่พอดีแต่คุณจะปรับกัน อุตลุดทุกทุกนาทีทุกวินาทีก็ไม่ไหวละคุณติดสบายละคุณก็ต้องลักก็ให้มา น, นานสักนิดหนึ่งพอทนได้ทนเออมันตึ ง, ต ง, ตงนิดหนึ่งคุณก็ขยับนิดหนึ่งก็ได้แต่พอมันขยับลหลายๆทีเนี่ยมันออกไม่หมดใช่ไหมมันออกนิดเดียวขยับลหลายทีก็ออกทีล่นนิดคุณก็ปรับใหญ่สัทีหนึ่งหลังจากนั่งนานก็เป็นอดักนั่งคัสมานานคุณอาจจะเปลี่ยนมาเป็นนิดหนึ่งก็จะ พอท่านั่งเนี่ยรู้สึกว่ามาปรับเราได้ถึงสิบกว่าท่านน ะ, ะบางครั้งวัคซ์พาสาธิตทีเดียวลวดสองชั่วโมงเลยไม่ต้องไปยืนไปเดินละคุณนั่งนั่นแหละแต่สามารถปรับได้ถึงสิบสองท่าหนึ่งเพียบซ้ายที่ที่ก่อนคุณจะเปลี่ยนไปเป็นภาพเพยบขวาเนี่ยคุณต้องดูเพรพเพยบช้าให้ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นโทนได้กี่นาทีอะมาตรฐานที่ทดสอบประมาณประมาณห้านาทีพอดี พอหนาทีมันชักดึงตรงนั้นตึงตรงนี้แล้วใช่ไหมบางคนนั่งผ้าเพียบซ้ายไม่ถนะชอบแต่ผ้าเพียบขวาคุณก็เฉลี่ยวเวลาสมมติว่าคุณจะนั่งสักสี่นาทีเอา้าถ้าเอาอย่างละหเนี่ยไอ้ผ้าเพียบซ้ายเนี่ยฉันไม่ค่อยได้นั่งเพราะฉะนั้นห้านาทีฉันไม่ไหวคุณก็เหลือแค่เท่าไหร่สักสามนาทีแต่คุณก็ไปเฉลี่ยให้ผ้าเพียบขวาที่คุณเคยนั่งได้นานกว่าให้มันสักเกตนาทีโอเคไหมเออนี่นี่ก็คือการสังเกตนะ เอามาก็นั่งได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงโ ด, ดยที่ไม่ปิด เ, เลยก็ได้แต่ว่าขอปรับไปเรื่อยๆพระเพซ้ายเป็นทระเพรขว า, าพระเพรขวานานคือไปมันเพลินใช่ไหมถึงว่าใจมันก็อยู่สบายอยู่แต่ว่ามันจะเพลินอนะ่ะถ้านานกว่านั้นมันจะเพลินก็เปลี่ยนมาเป็นนั่งทับโซนนั่งทับสซนผู้หญิงถนัดแต่ผู้ชายถนัดไหมไม่ค่อยถนัดนะเพราะอะไรไม่ค่อยได้นั่ง แต่ว่าไม่ได้หมายความคุณไม่นั่งเลยนั่งเหมือนกันผู้หญิงเขานั่งได้สิบนาทีคุณเอาแค่ไหนแค่นาทีหรือสองนาทีพออ่าแต่ผู้ชายถนัดท่านไงท่าคู่เขาแต่ถ้าคู่เขาผู้หญิงถนัดไหมไม่ถนัดแต่ไม่ถนัดก็ต้องนั่งแต่ผู้ชายเขาได้สิบนาทีคุณเหลือใค่สองนาทีก็ได้เหลือหนึ่งนาทีก็ได้ก็ไปเฉลี่ยอ่ะมาเป็นนั่งชั้นเขาก็ทําได้ที่นั่งชั้นเขาก็เห็นว่า <c oughs> เออเมื่อกี้แล้วนั่งพับเสิดซ้าย ผ้าพิเศขวานั่งได้นานพอสมควรมันถึงจะรู้สึกว่าตึงแต่พอมาเป็นไปชันเขาแค่นาทีเดียวฉันก็ตึงแล้ะใช่ไหมแล้วก็เออทำไมอ่ะก็เพราะว่าระเพิเศซา้ายผู้คนมันมีฐานรับน้ําหนักที่กว้างเมื่อฐานรับน้ำหนักกว้างมันก็เฉลี่ยน้ําหนักใช่ไหมมันก็รู้สึกว่าไม่หนักไวแต่พอเรามานั่งชันเขาเนี่ยฐานรับน้ำหนักเป็นไงแคบคือเฉพาะเขาทั้งสองเพราะนั้นน้ําหนักมันก็จี้เจาะตรงนั้นมันก็บีบ ไอ้ไอกดวงจรทั้งกันอนิจจังกดวงจรทั้งกันไหลเวียนได้ตีบตันมากขึ้นคุณนึกถึงเวลาคุณเปิดน้ำอ่ะใช่ไหมถ้าสายยางหักไปไงหรือมันไม่หักแต่มันมันตีบนิดเดียวเนี่ยไอ้ท่อทํามชาจะหลุดหรือธรรมชาติจะแตกลแล้วเราก็ปรับให้มันตรงเออในแคร่นี้นี่มอนกันเออแค่นาทีสองทีฉัก็รู้สึกตึงที่ขาแล้วนะนะคุณก็ลองดับรูไปเรื่อยๆก่อนนั่งไม่ได้แต่ถ้าทําเพื่อศึกษาไม่ได้ทําอันสบาย มันดึงถึงไหนบ้างะหน้าขาหน้าเขา่าชันขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งศึกษาพอสมควรเออเกินไปกว่านี้ชันไม่ไหวแล้วนะไ ม, ไม่ไม่สนุกละก็เปลี่ยนมาเป็นเอาขาสอนมาค่อยข้างหลังให้ขสมาธิมีอยู่สี่นะหนึ่งขาสมาตินะาาแบบแบบขาไม่ซ้อนกัน <c oughs> แบบปล่อยขาขาสมาธิที่หนึ่งคุณก็สังเกตไปทาได้กี่นาที มันนานไปมันจะเพลินน้ำสบายก็ขยับเข้ามาหาสมาธิสองคือซ่อนขาซ่อนเท้าปบบอีนนี้เร ก, ก็ทำไปหากนี้ผู้ชายถนัดผู้หญิงไม่ถนัดแต่ก็ต้องทำทำเพื่อการศึกษานะจะทนได้เท่าไหร่คะสมาธิสองประมาณได้หลายนาทีารู้สึกมันจะเพลินไปเป็นสมาธิสาม ข, อขอาขวาทับขาซ้ายบางคนถนัดก็ทาไป แล้วแตลอเวลาเนี่ยการเปลี่ยนไปแต่ละท่าแต่ละท่าเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงบางคนได้แค่นี้บางคนได้ถึงสม 4, ดัดสีถ้าตับัวถ้าคุณไหนสามารถทําได้ก็ทําไปนะถ้านะทำไม่ได้เพราะเราไม่คุ้นเนาะมันก็จะตึงแต่ก็ต้องทำทำดูนะคุณได้ครึ่งนาทีก็ต้องทําดูเพื่อเราเป็นการปรับปรับอินซีปรับอะไรเพื่อการศึกษา อ, อุป น, นักข้ออะไรคุณไปดู อ, อุปนหนักตรงไหนบ้างนะถ้าเนี้ยทำไมฉันทนไม่เคยได้ เอาไปเอามานี่ฝึกไปฝูกมามันนั่งได้ทุกท่าเลยนะเพราะเราทำเพื่อการศึกษามไม่ทำว่าฉันชอบหรือไม่ชอบนะน่ ะ, นะถ้าทำตามชอบไม่ชอบไม่ใช่ละไม่ชัดแต่ให้เห็นว่ามันชัดตรงไหนไม่ชัดตรงไหนอ่าพอพอเต็มที่ตรงนี้ละอ่าสมามีทุกสี่ท่าเป็นเท่าไหร่ละหนึ่งพระเพียบซ้ายสองพระเพียบขวาสามนั่งทับส้นสี่นั่ง ภูเขาห้ า, หานั่งชันเขาหกขัสมัดหนึ่งเกตขัสมัรสองแปดขัสมัสามเก้าขัสมสัดสี่เออไม่ไหวแล้วอันนั้นเขาเหยียดสิบละใช่ไหมเออคุณนั่งได้เหยียดขาที่ส่วนตัวของเราใครจะว่าใช่ไหม แต่บางครั้งหลวงพ่อก็พานั่งเย็ดทั้งกลุ่มแต่หันหน้าไปอีทางอย่ากหย็ดด้านมาหางหลวงพ่อแล้ว <laughs> อย่ากหย็ดเท้ามาหางหลวงพ่อเลยกันนะให้10อ่ะ11บเออย่างนี้บ้างให้มันสบายบ้างเนา ะ, ะนั่งหยอนขาเก้าอี้ก็ได้พอมาถึง12เป็นไงยืนทำโอ้สบายได้ถึง12ได้วบวกท่านั่งกับท่ายืน เพราะฉะนั้นคุณมีท่าถ้านั่งที่รับรลยมากเลยเยอะมากเลยแล้วคุณจะนั่งนานเท่าไหร่ก็ได้เมื่อเที่มานั่งทีเดียวสองชั่วโมงครั้งครั้งแรกที่มารู้สึกได้อารมณ์รูปน้ํามมาทำและเนี่ยทีละชุดละสองชั่วโมงอมันผ่านไปไวมากเลยตอนเช้าได้สองสามชุดตรงบ่ายได้สี่ชุดวันเดียวได้อารมณ์เลยเออเพราะอะไรเพราะมันต่อเนื่องกันนานนะพอมันยืนนานยืน น, น, น, นี่ก็ตอนแรกก็สบายใช่ไหม ยืนไปนานไเป็นไงบ้างอ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะเดินเลยนะเราก็ขยับซ้ายขยับขวามันคลายกันพ อ, อตอไปได้อีกนิดหนึ่งก็ทำไปถ้าเดินก็เดินนอยหน่อยก่อนก้าวหน้าแล้วหอยหลังนิดหน่อยพอคลายเพราะนั้นถ้าหากว่าเราทั้งใจที่จะทำเนี่ยมันหาวิธีได้หลากหลายมากแต่ที่นี่มันเราค่อนข้างหยาบลู่ลวกๆอะ่ะไม่ชอบกนกับไปทานนะ้่นเป็น ปุบมันเบื่อไหวแล้วทีนี้ท่าเล่นกันแล้วท่า น, นี้ก็แต่เราไม่เคยลงในรายละเอียดเลยใช่ไหมเนื้อพอทําท่าขยับหลายท่าแล้วเออก็เดินดูเดินก็มาสังเกตหนักเบาอย่างที่ว่าเนี่ยทีนี้คนส่วนใหญ่ก็เดินแบบนี้อภิกันเตยอย่างเดียวคือไปข้างหน้าอย่างเดียวเราไม่เรียกว่าถอยหลังนะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเดินกลับเป็นอภิกันเตแต่ปฏิกันเตมันต้องอย่างนี้ปฏิกแปลว่ากลับ ข้าหลังเออไม่ใช่กลับไปกลับมาแบบนั้นแต่บางสำนักบางคนไม่ได้นะคุณต้องเดินหน้าอย่างเดียวคุณไปถอยหลังตามหลวงพ่อได้ไงบางคนอะไรก็ตามที่ทํำตามหลวงพ่อไม่รับได้รับไม่ได้ทางนั้นน่ะนะไอ้คนมันมันมันมันมีอคติต่อการอะไรก็ผิดหมดอะนั้นแต่ถ้าหากว่าไอ้ความถูกต้องเป็นอย่างเงี้ยคุจะพิฆงุ่งพิฆนัยเหมือนหลวงพ่อไม่ได้นะคุณต้องทําแบบชั้นนะอะไรตรงนี้ยมีอคติละ ทำไปในสิ่งที่มันถูกต้องมันเหมาะมันสมมุรณควรไม่ผิดเราไม่เอาถูกเอาผิดกันเอาว่าเราบำ เ, าเราปรับเปลี่ยนร่างกายให้พอดีได้อย่างไรเราปรับเปลี่ยนให้สติสั่งยามมันชัดเจนได้เสมอได้อย่างไรถ้าเราสอนว่าจะต้องเอาอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นมันมันผิดละนะอผิดตรงนี้มันจะกยกาเป็นรูปแบบที่ทําให้เราเป็นเป็นทุกข์เป็นสมูทยัยโดยไม่รู้สาเหตุนะก็ทำํำที่ที้เดินเนี่ย เป็นอิริยาบถที่ผ่อนคลายเดินนานๆนไปไงเพลินใช่ไหมเพราะอะไรเดินมันรู้สึกสบายเพราะว่ามันได้ถ่ายน้ําหนักได้เร็วทุกทุกขณะแต่ว่านั่งเนี่ยทำไมมันมันนานถ้าเปรียบเทียบแล้วนั่งเนี่ยมันได้สมาธิสติและสมรชญญะได้ดีฝ่าเพราะว่ามันมีน้ําหนักที่คอยกระตุ้นให้เรามีการเปลี่ยนแปลงได้เร็วแต่ว่าการเดินมันรู้สึกสบายเพราะมันถ่ายน้ําหนักได้เร็วอ ยกน้ำหนักรับน้ําหนักแค่ไม่ถึงวินาทีก็เปลี่ยนละแต่โดนรับน้ําหนักทีลหลายนาทีใช่ไหมมันก็รู้สึกหน่วงและท่านั่งแต่เวาลาเดินเนี่ย ม, มันเปลี่ยนน้าหนักได้เร็วมันก็รู้สึกเบาเบา น, นานังเขารู้สึกเพลินเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินท่าเดินจริงไม่ค่อยมีเวทนาทุกเวทนาไม่ค่อยมีมันก็นําไปสู่ตัวเพลินได้ง่ายดูนันที่ได้ง่ายเพลินก็หนึ่งจะนไปสู่การ ง่วงแล้บางคนเมื่อคืนบางคนอาจจะไม่ได้นอนเนาะง่วงแล้วง่วงอีกแก้ไม่ตกเลยใช่ไหมเดี๋ยวเมื่อคืนนอนหลับไหมเราไม่หลับใช่ไหมวันที่คุณไปนอนเห็นะทําตามหลวงพ่อไม่ผิดแต่บางคนคุณนอนไม่ได้นะคุณนอนคุณมาปฏิบัติได้ไงคุณมากินอาหารก็คุณมานอนได้โอไม่ได้มันเป็นการลงโทษกันมากเกินไปเป็นอคติมากเกินไปไม่ดีหลวงพ่อคุณง่วงหลวงพ่อไม่ตำหนิคุณไปนอนไล้เราไม่ต้องไม่ต้กลัวหลวงพ่อจะว่าเราต้องหาความเป็นธรรมให้ร่างกาย ร่างกายนี้เขาไม่รู้เดี๋ยอะไรทําหรือไม่ทําแต่เราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาแฟเพราะร่างกายนี้เขาต้องเป็นไปตามกดของไตลักลุงพ่อเหมือกันลุงพ่อรู้สึกหนักเหนื่อยมันพ่อไม่ได้ฝืนปฏิบัติพ่อก็ไปนอนเหมือนกันเรานอนนิดหนึ่งกลับขึ้นมาปฏิบัติใหม่ได้ทั้งวันกับง่วงทั้งวันอันไหนดีกว่ากันใช่ไหมงีบสักนิดหนึ่งยิ่งพูดพูด้ผู้สูงอายุวันนี้กลับไปนอนพี่เลี้ยงดา่าลุงพ่อแม่รู้ด้วยนะตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะ ตรงนี้ไม่ใช่สนามหลวงพ่อทีเดียวนะแต่วันนี้จะอยู่สอบอามให้ทั้งวันหลงพ่อเนยหลวงพ่อมคนงานเยอะนีแบบไปแบบมาเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้มันต้องเป็นเรื่องศึกษาเท่านั้นไม่ใช่เอาถูกเอาผิดมาตัดสินกันไม่ใช่นีศึกษาคุณศึกษาได้รือแบบนี้เพราะนั้นในในสนามแต่ละสนามมาก็ทําอย่างเงี้ย มานั่งโมงต่อหน้าหลวงพ่อหลวงพ่อว่าเมื่อคืนคุณนอนไม่อคืหลับใช่ไหมใช่ก็ใช่คือแปลกที่แปลกถินคุณนอนบ้านคุณก็ไม่เคยหลับคุณต้องใช้ยายช่วยอ่ะมานี่ยาคุณก็ไม่ได้กินแน่นอนคุณทั้งหนักงั้นคุณไปนอนก่อนก็แล้วกันไปนอนนิดหนึ่งเออสดชื่อแล้วหลวงพ่อมาไปเปิดอารมณ์อยู่ที่ล อ, อเ อ, เ, อเป็นกลุ่มของหมอเนาะกลุ่มโพธิธรรมหมอคนนึงชื่อหมอมุนตราแกเป็นเบาหวานอ้วนเดินจงกรมก็หนักหัวสู้หัวซูลหัวซัเซ่นะ หม อ, ม, อมุ่งทําไมอ่ะผมไม่ค่อยสบายหมอไปนอนก่อนไปไปนอนมาชั่วโมงหนึ่งทีนี้แกลุกก็มาทําได้ทั้งวันเลยทําได้ทั้งวันถ้าถ้าปล่อยแกเดินหวัวสูงุหรือแกอาจจะป่วยนะแกจะเป็นลงเป็นแรงเลยใช่ไหม <laughs> เพราะการดับการนอนพักผ่อนเป็นยาอย่างหนึ่งเออดีกว่าคุณไปกินยาเน้นๆไปมันเป็นยาอย่างหนึ่งให้มันพอร่างกายเนะี่ยต้องให้ความเป็นธรรมกับเขา ทั้งกายเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรธรรมะไม่ธรรมะเขาไม่รู้เรื่องแต่จิตจะเป็นคนดูแลเขาต้องรู้เรื่องต้องปรับจิตต้องดูแลกายนะดังนั้นเองในเรื่องเหล่านี้หลวงพ่อไม่ได้ถือว่าตายตัวสามารถปรับได้พอดีใครพอดีมันจะเอามาตรฐานมาปฏิบัติมา20่สปีก็ไม่ได้ถือว่าตัวเองต้องเอามาตรฐานตามที่อาจามาบอกไม่ใช่ต้องเอามาตรฐานของใครของมันแต่หลวงพ่อเป็นผู้ชี้ว่าอะไรเป็นอะไรที่ผ่านมาเนี่ยผสมมาหมด แต่เราเข้มาบอกมาชี้กันเท่านั้นเองนะเท่านั้นเองประเภทที่ปฏิบัติแล้วไปนั่งเฝ้าทั้งวันทั้งคืนพอก็ไม่เอาคุณตามคุณมาที่นี่คุณมีศรัทธาดีเท่านั้นคุณไม่แอบไปทําอะไรที่ไม่ดีหรอกคุณรับผิดชอบตัวคุณเองนะให้ไปอิสระในการทําไม่ต้องรู้สึกกดไม่ต้องรู้สึกเกร็งและไม่ต้องรู้สึกกลัวใครให้ทําแบบอิสระของเราเราจะไปเข้าห้องน้งําจะไปนั่งไปพักอะไรก็ได้กลัวพี่เลี้ยงจะว่ามันปฏิบัติด้วยความกลัวล่ะมันเริ่มันเรเกิด ไม่ได้อารมณ์ที่ชัดเจนทํารามีศรัทธามาแล้วเนี่ยแต่บางคนก็รู้สึกว่าเป็นคนใหม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรนะอย่างเนี้ยก็ต้องพี่เลี้ยงก็ต้องดูแลดูแลเพื่อปรับให้มันเข้าที่เข้าทางให้เหมาะสมจนกระทั่งรู้สึกปกครองตัวได้แล้วแล้วก็ดูห่างมันรูปดูดูแลลูกอะ่ะลูกยังไรเดือนสาต้องดูแลอย่างใกล้ชิดใช่ไหม เ, เริ่มรู้เดือนสาปกครองตัวเองได้ก็เริ่มห่างคนไหนที่รู้สึกปกครองตัวเองได้ก็ปล่อยให้ทําเลยนะ อันนั้นก็ดูตามขั้นตอนของความอ่อนความแก่ความอ่อนหัดความยังไม่มีประสบการณ์ก็ดูแลตามขั้นตอนไม่ใช่ไปดูแลหรือไม่ใช่นะหลวงพ่อก็ดูแลเหมือนกันแต่พอดูห่างๆว่าใครมีอาการอย่างไรอาการนี้ทําท่าจะไม่มีประสบการณ์ต้องต้องเข้าไปเตือนเป็นระยะระยะเหมือ น, นอบางคนทําแบบมีประสบการณ์สูงทําแล้วก็ไม่มีปัญหาตั้งใจทํานุ่มนิ่มแล้วก็ขยับปรับเปลี่ยนอะไรได้อารมณ์ดีเออโอเคปล่อยให้ทําไป เพราะนั้นในการวิธีการพ่อก็จะให้อารมณ์รายละเอียดทั้งเช้าทั้เย็นมาก็จะสอบอารมณ <c oughs> ์สอบอารมณ์ทุกวันนะที่พอจะสอบอารมณ์ด้วยกันคุณวันนี้คุณสงสัยมาถามอะไรคุณเรื่อ ง, งข้อคุณไหนไม่ถามไม่ได้คุณทํามาทั้งวันคุณไม่มีปัญหาได้ไงมันต้องมีแต่คุณคุณจะจําจปัญหาได้ัไหมทํามาทั้งวันมันก็คิดนน่นคิดนี่ใช่ไหมก็ต้องมีปัญข้อได้ถามแต่ไม่ใช่ปัญหาแต่มีคําถาม ลักษณะเรียกว่าการสอบอารมณ์นะไม่ใช่หลวงพ่อไปถามนะเออคุณเป็นยังไงวันนี้ว่าฉันก็เป็นอย่างฉันนะหลวงพ่อจะไม่รู้อะไรนะแต่คุณต้องบอกมาก่อนวนะ่าคุณเป็นอย่างไรหลวงพ่อก็จะแก้ไขไปตามาอาการนะที่เคาะต่างๆที่หลวงพ่อทำํำพ่อทาไม่ว่ายุโรปอเมริกาที่เมืองไทยทําแบบเดียวกันนะและช่วงเช้ามาตีสี่ถึงตีห้าคุณจะแกงงักันไหนคุณต้องมาออกกําลังกายแบบหลวงพ่อ ไม่มีคนแบบแต่เดี๋ยวนี้มีโยมผู้หญิงมางคลเขาชนานาญเข้ามาเป็นดีเจช่วยเมื่อก่อนหลวงพ่อเป็นดีเจเองหมดเลยนะสอนทุกกระบวนการขั้นตอนมันค่สนุกอะมันเป็นชีวิตอะเราไปจะทําให้เป็นภาระทําไมนะหลวพ่อก็ได้ทําด้วยความสุขเพราะมันเป็นชีวิตจริงไม่ใช่ว่าจะมาเออชีวิตข้างหน้าอย่างหนึ่งข้างหลังอย่างหนึ่งไม่ใช่คุณใช้ชีวิตอย่างไรกูอเอาชีวิตอย่างนั้นะ่ะชีวิตที่ไม่ทุกอะมาบอกกันหนะ่อยใช่ไหมชีวิตที่มีสุขภาพดีมีความแข็งแรงไม่เป็นโรคภัยแค่เจ็บดีไมหมลรา ก็ดีก็เอาตัวอย่างชั้นหนึสีอะไรพวกนี้เนี่ยก็ใคจะบอกอย่างนี้นะแล้าคุณเป็นแต่โรคภัยแค่เจ็บมีแต่ปัญหาแล้วคุณจะเอาตามใจคุณได้ไงเอ้ยเราก็ค่อยๆบอกกันเยอะไปซึ่งมันทําให้คนอื่นมีความสุขเหมือนเราเราก็ได้บุญเยอะแยะเลยนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยากจะให้แต่ละคนเนี่ยฝึกฝนตัวเองให้ชํานาญแล้วไปช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อนมนุษย์ที่ไม่มีโอกาสอย่างเราเนี่ยมันจํานวนเท่าไหร่ใช่ไหมมันนับไม่ได้อะแต่เขายังไม่มีโอกาสอย่างเรา แต่เมื่อเรามีโอกาสแล้วเนี่ยเราต้องทําให้ดีที่สุดแล้วเราจะมีโอกาสที่ไปช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเกิดมาทั้งชาติแม้แต่ตัวเองเอาแม้แต่ตัวเองก็เอาไม่รอดเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะใช่ไหมมันจะต้องช่วยเพื่อนอีกที่ไม่เขายังไม่เป็นมนุษย์มานาเนี่ยใช่ไหมเขายังเป็นเปเลดเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารอยู่เยอะแยะเนี่ยเราจะเป็นมนุษย์คนเดียวได้ไงมันก็ถูกพวกนั้นเล่นงานเท่านั้นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเขาให้เป็นมนุษย์ขึ้นมาโอเคไหม เพราะฉะนั้นวันนี้ไปทำหลวงพ่ออยู่ทั้งวันวันนี้ใครอยู่ที่ไหนหลวงพ่อจะตามตื้อขนาดหนักเลยแหละเพราะฉะนั้นพยายามนะก็ดูคาราเทเซมกันหมู่คนเป็นห่วงหลวงพ่อหลวงพ่อาไปอยู่สองตัวสองกับผู้หญิงได้ทำไมอนนี้หลวงพ่อบางทีหลวงพ่อให้ไปเดินตามไปนะหมู่คนก็ติดอารมณ์บุญก็ถือวินัยแตหลังมาหลวงพ่อให้เดินตามไปเพื่อป้องกันตัวเองเหมือนกันนะนะหมู่คนที่ไปจูดหลวงพ่อได้หลวงพ่ออยู่สองตัสองพ่อไปพูดอะไรกับผู้หญิงหรือเปล่าเรื่องนี แล้วจะมีเจตนาดีขนาดไหนถ้าคุณเขาจะมองเราหลายน้ก็หลายได้เสมอนะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเพราะมีนินตามไปนะฮะโอเคก็ขออนุโมทนาสาธุความตั้งใจนะที่พวกเราทั้งหลายที่จะได้ทําความพอใจในรายละเอียดแล้วก็สามารถที่จะประคับประคองการปฏิบัติของตนเองให้เข้าใจให้ดวงใจเห็นธรรมตั้งแต่เบื้องต้นถึงที่สุดโดยการทุกคนทุกท่านถือ